เข้าใจไหมหลงตามตรงตาขู่นะหลงได้หลงพ่อได้ย huh. ินกับหูหลงพ่อเลยหลงพ่อออืเวลาจะไปสวดมนต์นัถานที่ใดหลวงพ่อจะต้องตามเสียงผู้เสียงเขาเสียงดังกว่าบางทีมอบให้เขาสวดเลยเอ้านีมนต์ท่านเป็นผู้พานําสวดนะอ่แล้วก็มอบให้เราก็เป็นผู้ตามเบนเสียแต่งานน้อย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 หลวงพ่อจนๆนี่หลวงพ่อว่ามากแล้วสำหรับหลวงพ่อสองล้านกว่าถ้าเศรษฐีเขาก็ยิบจ้จอยขยาว่ายงั้นน่ะแต่หลวงพ่อใหญ่สองล้านกว่าแล้วก็กระเบื้องท่านองค์ขมนตรีท่านถวายมาพันกว่ากล่องล้หลวงพ่อก็น่นนเอาใส่ทั้งห้องห้องพักอ่าแล้วก็ห้องน้ำใส่นั่นน่ะใช้อามาใช้กระเบื้อง